ชีวิตเนี่ยมันของใครกางั้นเป็นของตัวเองหรือเป็นของพ่อของแม่เสียหายมากเลยวันนั้นนะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องพยายามถามให้ดีๆว่าไีกที่เขาถามเนี่ยถามเรื่องอะไรเขาอยากรู้อะไรเนี่ยนะต้องทวนตอบทวนถามให้มันชัดๆก่อนนะไม่ตอบรีบตอบแล้วก็แหมเผลอไปตอบง่ายๆในเสีพสนะยพระเสียเจ้าหมดอ่ะนะเพราะเขาเาไม่ได้อยากรู้อย่างนั้นหรอกรตอบซะใหญ่โตเลยวันนั้น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 หรือว่าใช้ให้ไปปฏิบัติการเนี่ยนะบอกเรียบร้อยครับเจ้านายางเงี้ยอะไรมันเรียบร้อยมันคนละเรื่องเลยอตรงที่ห้ามก็กลับไปทำํำใ้สิ่งที่ให้ทําก็กลับไม่ทำํำไอเรียบร้อยเหมือนกันมันเรียบร้อยเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นต้องทบทวนคําถามทบทวนคําสั่งเหล่านี้ให้ให้ดีๆคําว่าปฏิปุจชาพยากรณียปัญหาก็คือรู้จักว่าสอบสวนให้มันชัดเจนเรื่องที่เราสั่งกับคําที่เขารับมันเหมือนกันไหมไอคําที่เขารับกับเรื่องที่เราสั่งนี่มันเรื่องเดียวกันไหม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 มันเข้าใจคนละอย่างก็เลยหมดฟันไปฟรีข้างนึงแล้วถอนฟรีกันแล้วกันหมอไม่คิดค่ายางเนนะเสียหายมากนะจะฟ้องเอาที่ถ้าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ต้องสอบสวนให้มันชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่อย่างนั้นก็เสียหายโดยเฉพาะอะไรที่มันเสียแล้วเสียเลยเนี่ยมันไม่มีโอกาสมันจะต้องสํารวจแล้วก็สอบสวนให้ดีๆแล้วก็สอบสวนให้ชัดเจนอันนี้เรียกว่าปฏิ พยาปฏิปุจฉาพยาการณียปัญหาสอบสวนให้มันชัดเจนไปเลยว่ามันมันคืออะไรเรื่องมันไปอะไรอย่าไปถือเอาโดยพยัญชนะส่วนเดียวหรืออย่าไปถือเอาแต่โดยอัถะส่วนเดียวก็อสอบสวนให้ดีๆทีนี้ข้อสุดท้ายถามปริ ญ, ญปัญหาถ้ามาถามมาชีวะก่ออันนั้นสรีระก่ออันนั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องตอบนะนะมาเ้าเรียกวเออไฟนี่มันไฟเนี่นะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ควรจะคุยด้วยไหมอย่างเงี้ยโอ๊ยถ้าใครคุยด้วยก็หนักกว่าคนนั้นเยอะเนี่ยนะถ้ายังไปตอบปัญหาประเภทนี้ได้เนี่ยนะเออเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยนะอในนั้นเนี่ยนะดอกกุหลาบเนี่ยถ้ามันเฉาไปแล้วมันเกิดใหม่ได้ไหมนะแล้วใครไปเกิดมีใครอยู่ในดอกกุหลาบไหมดอกกุหลาบเนี่ยมันมีชีวะไหมตายแล้วมันเกิดอีกไหมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าใครไปนั่งตอบปัญหาประเภทนี้เนี่ย จะมีอะไรนอกจากว่าหนักกว่าไ้คนที่ถามอีกนะเพราะฉะนั้นปัญหาประเภทนี้ไม่ต้องตอบหรอกเนี่ยนะก็เร้วกับปัญหาของคนที่ทิฏฐิวิปลาสเนี่ยนะมีความวิบัติทางทิฏฐิเข้าใจเรื่องทิฏฐิซะคลาดเคลื่อนเป็นต้นอันนี้ไม่ต้องคุยเนี่ยนะตอบง่ายนิดเดียวบอกนิ่งเนี่ยนะ นิ่งซะหรือไม่ก็ไปคุยอะไรอย่างอื่นก็ได้เนี่ยนะทานเข้ามาหรือยังก็ได้ไงไม่ต้องไปตอบไม่ต้องไปคุยหลอกประเด็นนี้เพราะบางประเด็นไม่ใช่ว่าแหมรู้ทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องพูดเสร็จแล้ววันบางทีเนี่ยนะยังคือพวกกลุ่มมิจฉาทิฐิเนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าชีพก็อันนั้นศิรระก็อันนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นพวกนี้ถ้าตอบบอกใช่อุเฉท ท, ทิฐิถ้าตอบว่าไม่ใช่สัจจะทิฐิตอบอันไหนมันก็เข้าทิฐิอันใดอันหนึ่งอะนะเพราะั้นไม่ต้องตอบ ม, มันดีที่สุด แต่ ว, ว่าพูดยังไงก็เสียตังเพราะฉะนั้นนิ่งซะไม่ต้องเสียตังอ่ะนะคล้ายๆถ้าพูดแบบทางโลกเขาบอกว่าถ้าพูดนะถ้าเ อ, อหรือไม่เ อ, อเนี่ยนะคือตอกไปใช่หรือไม่ใช่มันก็เสียนะซ้ายหรือขวามันก็ผิดหมดนี่ทำไงกาลังพูดอะไรสักอย่างเนี่ยนะแก้ปัญหากลับลำเถอะว่างั้นนะอันนี้กลุ่มที่สามเขาเรียกว่าต้องดูตามพยา ปัญหาพยากรสี่เขาเรียกว่าการตอบปัญหาสประเภทนี้ต่อไปก็อ้างสูตรสูตรสุตานุโลมสูต ร, ตรสุ ต, ส ต, ตานุโลมอาจารีวาตและอัตโนมติเพราะฉะนั้นสูตรก็คืออะไรคือปิดกสที่ยกขึ้นสู่สังคีติสส่วนอัตกะทาชื่อว่าอาจารยวาทหรือว่าเหล่าดีผู้ที่ตามปฏิพานของตนอันนี้นเรียกว่าอัตโนมติหรือกลุ่มดีกาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นวิธีอันดับแรกหนึ่งถ้าเป็นสมัยใหม่คิดง่ายๆ1ขัดกับพระไตรปิฎกไหม 2. องอไม่ขัดกับพระไตรปิฎกแล้วสามขัดกับอัจฉริยะไหมขัดกับพระไตรปิฎกอัจฉริยและดีกาเป็นต้นไหมเรียกว่าเอาพระไตรปิฎกอัจฉริยะดีกาและก็โยชนาเป็นต้นสํารวจตรวจสอบดูมันถ้าเป็นไปตามนั้นก็ใช้ได้ถูกต้องเพราะโดยหลักการของคําสอนไม่ขัดกันเองเชื่อเถอะพระพุทธเจ้าองค์เดียวสอนเนี่ยจะไม่ขัดกันเอง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 มหาประเทศสี่เนี่ยนะถึงณนะที่นั้นได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอนันทเจดีในโพคานครนั้นทรงทร ม, มีกถฐานี่แหละ เป็นอันมากแก่พิสูจน์ทางหลายวิสีลเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ก็คือจตุปาริสุทธิ์ทีนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะสมาธิทั้งอุปจารสมาธิอั ป, ปนาสมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาทั้งหลายคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัทสนวิสุทธิปฏิปทายานทัทสนวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็คือวิสุทธิทั้งเจ็ดเป็นต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้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 กลุ่มที่หนึ่งไม่ใช่ผู้ตรัสทั้งเดียวส่วนกลุ่มที่สองในหน้าสอง้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะกลุ่มที่สามหน้าสองร้อยห้าสิบเอ็ดกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่หน้าสอง้ยหกสิบเอดนี่ยนะกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าหน้าอะไรกลุ่มที่ห้าหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยนะ กลุ่มที่ห้าหน้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าโขอโทษขอโทษไม่ใช่กลุ่มที่ห้าบอกไปยังนะโทษโทษินทาไมนะกลุ่มที่สามหน้าสองรอยห้าสิบเอ็ดกลุ่มที่สี่หน้าอะไรนะกลุ่มที่สี่หน้าสองหกหนึ่งกลุ่มที่ 4, ห้า ล, ล่ะ สองหกเก้าใช่ไหมไม่ใช่หน้าสองร้อยเ็ดสิบสองในกลุ่มที่หกพราะเนี่ยหน้าหน้าสองรอยหกสิบหกกลุ่มที่ห้าสองร้อยเจ็ดสิบสองในกลุ่มที่หกกลุ่มที่ 6. กลุ่มเมื่กมอกี้ข้อที่เท่าไหร่ละ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 อริยะเนี่ยนะอริยะธรรี่ประการอันนี้ก็นับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากเลยนะพันสรรินสมาธิปัญญาเมื่อจําแนกแสดงออกไปแล้วก็คือโพธิปักขะธรรมทั้งหลายนั่นเองเนยนะคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถจะย่อ ก, ก็ได้ขยายก็ได้นั่นเองเนี่ยนะสหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะ